เสรแล้วก็เชิญพระศรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าไปทางทิศอุดรแห่งพระนครก็แปลว่าไปทางประตูด้านเหนือเข้าไปในท่ามกลางพระนครโดยทิศเหนือแล้วก็ถึงท่ามกลางพระนครก็อัญเชิญพระศรีระไปทางทิศบูรพาวางพระศรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าณนะมากุฏพันธนะเจดีของพวกเจ้ามาละทางทิศบูรพาแห่งพระนครนะ่นเอง ในระหว่างนั้นเนี่ยนะในระหว่างที่อันเชิญพระศรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็มีนักบุญผู้หนึ่งที่เรียกว่าทําบุญใหญ่มากเลยก็คือตอนที่ไปถึงท่ามกลางเมืองกุสินาราในหน้า446ย่อนหน้าล่างบอกว่ามัชเชนะมัชชังนครสารหาริตวาความว่าเมื่อพระศรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าถูกเขานํามาอย่างนี้ก็คือกําลังอันเชิญแห่กันไปนั่นแหละ พระยาของท่านพันธุละเสนาบดีชื่อว่าพระนางมาริกาคือพระนางมาริกานั้นเป็นมเหสีหรือเป็นพระยาของพันธุละเสนาบดีพันธุละเสนาบดีนี่เป็นเป็นเพื่อน ก, นกันกับพระเจ้าประเสันธิโกสนเคยไปเป็นเสนาบดีอยู่ที่เมืองอสาวัตถีซึ่งตอนหลังเนี่ยก็มีคนยุแย่เนี่ยนะส่อเสียดจนพระเจ้าประสันทิโกสนเนี่ยให้ฆ่า พันธุระเสนาบดีพร้อมกับลูกอีกสิบหคนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ถูกฆ่าแต่พระนางมาริกาก็ไม่ได้จองเวรอะไรเสร็จแล้วก็ขอกลับมายังเมืองของตัวเองก็คือกลับมายังเมืองกุสินาราแล้วก็นางมาริกานั้นเป็นหญิงในจํานวนหญิงที่มีมหาลดาปราสศาสมัยพุทธกาลในหญิงที่มีมหาลดาปราสทามีอยู่สามนางหนึ่งนางวิสาขาสองพระนางมาริกาแล้วก็ ราชธิดาของพระเจ้าพิมพ์พิสารอีกองค์หนึ่งนะ ท, ที่จะมีเครื่องประดับยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนะทราบว่าคือนางมริกาเนี่ยพอทราบว่าหมู่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์นำพระศรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้ามานางก็เลยคิดว่าเราจะนำเครื่องประดับชื่อว่ามหาลดาประสาธนะเนี่ยนะมหาลดาประสาธนะประสาธนะก็คือแมเป็นทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงมาก ราคาประมาณเก้าโคตเก้าโคตรก็ประมาณเก้าสิบล้านเนี่ยนะเก้าสิบล้านสมัยนั้นอ่ะนะซึ่งสมัยนี้อ่ะนะเพชรบางบวงในนั้นก็ราคา4ี่ห้าร้อล้านนั่นแหละนะถ้าเทียบสมัยนี้นะมันถ้าทั้งองค์นั้นก็มีราคาเป็นพัน ล, 1, ล้านแหละหลายพันล้านนหะซึ่งเครื่องประดับอันนี้เช่นกับเครื่องประดับของนางวิสาขาแต่ว่าหลังจากที่นางเสียเสียสามีคือพันธุลัเสนาบดีไปแล้วเนี่ย ก็ไม่ได้ใช้สอยอะไรตั้งแต่สามีตายก็ไม่รู้จะแต่งองค์ทรงเครื่องไปทำไมอ่ะนะในที่สดนะุดก็คิดว่าจะเอาเครื่องมหาลดาประสาทเนี่ยบูชาพระศาสดาด้วยมหาลดาประสาทะนีะ้เครื่องเครื่องมหาลดาประสาทเนี่ยหรือประสาทเนี่ยประสาทมหาลดาประสาทอันนี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นของที่เขาทำพุทธบูชาเนี่ยสองครั้งนะ น, นะ นางวิสาขาก็ได้เอาของนางเนี่ถวายพระพุทธ เ, เจ้าจนได้สร้างวัดชื่อวัดวั ด, วดปุบพารามเนี่ยปุบพาหมายว่าที่ตะวันออกไม่ใช่ปุบผาที่แปลว่าดอกไม้แต่หมายถึงวัดที่อยู่ด้านที่ตะวันออกของเมืองสาวถีเรียกว่าปุบพารามนะก็มาจากมหาลดาปราสาทส่วนตอนที่พระองค์ปรินิพานนางก็เอามหานางมริกานี่ก็เอามหาลดาประสาทเนี่ยมาถวายเสร็จแล้วก็เอาเครื่องประดับอันนี้มา ชำระทําความสะอาดด้วยดอกด้วยของหอมวางไว้ใกล้ประตูกล่าวกันว่าเครื่องประดับนั้นมีอยู่ณสถานที่สามแห่งเท่านั้นคือที่เรือนของสตรีทั้งสองคือนางวิสาขาและพนางมาริกาและอีกที่หนึ่งก็คือเรือนของโจรชื่อว่าเดวนานิยะนยนะีแสดงว่าโจรเคยปล้นเอาไปเหมือนกันก็ยังว่านะเรียกว่าของดีกับโจรเนี่ยมันอยู่ใกล้กันของมีค่ากับโจร น, นี่แหมมันคู่กันแต่ไหนแต่ใดมาแล้วนะ เพราะอะไรเพราะมันเป็นที่ตั้งแห่งการเพ่งเล็งแม้คำว่าลงทุนไอการบํารุงรักษาเพื่อป้องกันโจร น, นี่แหละแต่ก็อย่างว่าถ้ามีเล่าอย่างนี้ว่าแม่พวกอะไรนะเราเนี่ยซื้อเพชรซื้อพลอยแล้วก็มาใส่หีบใส่ตู้เซฟใส่ลิ้นชักอ่ะนะอันนี้โดยมากกันโจรกระจอกโจรกระจกกระจอกงั้นให้เอาไปไม่ได้น ะ, นะแต่พอโจรระดับบ้านเมืองนี่ยมาถึงก็ยกเอาไปหมดเลยเนี่ยยกเอาทั้งตู้นั่นแหละนะ เรียกว่าเรียว่าแล้วแต่ว่าป้องกันโจรระดับไหนใช่ไหมอย่างรูดชิปใส่กระเป๋าแอบลับซ่อนๆเนี่ยอย่างมากก็อะไรนะป้องกันโจรกระจอกในบ้านได้แต่โจร น, นอกบ้านมาขนเอาไปโมดเนี่ยนะบางทีก็ป้องกันโจร น, นอกบ้านได้ระดับหนึ่งแต่ว่าโจรระดับบ้านเมืองมาปล้นเอาไปเรียบเลยเนี่ยนะเรียกว่าอย่างสมัยก่อนเนี่ยที่ยกสงครามยกทัพจับศึกระดึงๆก็คือไปเอาสมบัตินั่นแหละเนี่ยนะไปเอาสมบัติของอีกบ้านหนึ่งเมืองหนึ่งย้อนกลับมาถึงนางมริกาผู้มีศรัทธานเนี่ยนะผู้มีศรัทธา กล่าวกันว่าเมื่อพระสรีระของพระาศาสดามมาถึงประตูของนางแล้วนางก็กล่าวว่าพ่อทั้งหลายจงวางพระสรีระของพระาศาสดาลงแล้วเสร็จแล้วก็สวมเครื่องประดับนี้ที่พระสรีระของพระาศาสดาแล้ว เ, เอาเครื่องประดับที่มีมูลค่าเก้าโกตดเนี่ยมาบูชาพระสรีระของพระองค์ เครื่องประดับนั้นสวมตั้งแต่พระเศยียรจรดพื้นพระบาทพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งมีพระชวิวันเหมือนทองคําพอประดับด้วยมหาลดาปราสาทที่ทาด้วยรัตนเจ็ดประการก็ดูรุ่งเรืองอย่างยิ่งยิ่งงามเข้าไปอีกเนี่ยนพระนางมริกาเห็นอย่างนั้นจิตใจก็ผ่องใสทำความปรารถนา อ, นนนอาศัยบุญเรียกว่าทาบุญเสร็จจิตใจที่ปีติผ่องใสตั้งความปรารถนาว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคจเจ้าข้าพระองค์ถ้ายังต้องโลดเล่นเวียนไหวตายเกิดอยู่ในวัด ต, ตะสงสารตราบใดตราบนั้นกิดด้วยเครื่องประดับจงยาแยกจากข้าพระองค์ขอสรีระจงเช่นเดียวกับเครื่องประดับที่สวมใส่อยู่เป็นนิเิดคือแทบไม่ต้องจาเป็นต้องแต่งตัวนะ คือเมื่อไร่ก็งามแบบนั้นแต่เมื่อไหรก็งามไอ้การมาแต่งตัวเสียเวลาลาเวแม้กว่าจะแต่งเสร็จวันหนึ่งหมดเป็นชั่วโมงอันนะกว่าจะแต่งเสร็จเนี่ยนะถ้าแต่งทุกวันทุกวันเนี่ยทั้งทั้งชาติเนี่ยหมดเวลาไปกี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นอย่ามาวุ่นวายเสียเวลาอะไรกับการแต่งตัวให้มันงามตลอดไปไงนะเขาตราบจนกว่าจะปรินีผ่านเนี่ยนะกว่าจะบรรลุเป็นพระอรหันต์นั่นแหละครั้งนั้นเจ้ามาละปามโม ก, ก็ช่วยกันโยกพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยเครื่อง มหาลดาประสาทที่ทำด้วยรัตนเจ็ประการออกทางทิศบูรพาวางพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าลงณมกุฏพันธนะเจดีของพวกเจ้ามาละทางเบื้องทิศบูรพาแห่งพระนครซึ่งสมัยไหนแต่ไหนแต่ใดมาก็ไม่เคยมีใครมีพกขสมบัติเท่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีโภคสมบัติมากที่สุดในโลกตั้งแต่อดีตจจนปัจจุบันเนี่ยมีพกขสมบัติมากจริงๆ แม้แต่ตอนที่พระองค์ดับขัน่อนปรินิาพานเนี่ยนะพระองค์ก็มีพวกะสมบัติเยอะอยู่แล้วนะประินิาพานไปแล้วโภกะสมบัติของพระองค์เนี่ยเยอะอีกเยอะจริงๆแล้วก็อันนี้โภกะสมบัตินะั้นแล้วอริยทรัพย์ของพระองค์ก็มีหาที่สุดไม่ได้พระองค์มีทั้งโภกะทรัพย์มีทั้งอริยทรัพย์มีทั้งโลกิยทรัพย์และมีทั้งโลกุตระทรัพย์เนี่ยนะพวที่มั่งมีจริงๆ น, นะเพราะอะไรเพราะสั่งสมบุญไว้มากเนี่ยนะนบุญเนี่ย เวลาที่บุคคลที่สร้างจนเพียรพร้อมสมบูรณ์ภัยบู์บริบูรณ์ก็ให้ผลเป่นเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายนีต่อไปว่าในหน้าสองเอ่อสามรอยี่สิบแปดครั้งนั้นพวกเจ้ามาละเนี่ยนะหลังจากที่วางพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าไว้ที่มะกุฏดพันธนะเจดีแล้วก็ถามท่านพระอนนว่า พวกข้าพเจ้าจะพึงปฏิบัติในพระสรีระของพระตถาคตอย่างไรท่านท่านนก็กล่าวตอบว่าดูก่อนวาสิทธะทั้งหลายพวกท่านพึงปฏิบัติในพระสรีระของพระตถาคตเหมือนที่เขาปฏิบัติในพระสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิะฉะนั้นเจ้ามาละก็กราวเรียนถามว่าเขาปฏิบัติในพระสรีระของเจ้าของพระเจ้าจักรพรรดิเป็นอย่างไรเล่าท่านนลตอบว่า ดูก่อนวาสิทธะทั้งหลายเขาห่อพระสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิด้วยผ้าใหม่แล้วซับด้วยสำลีใช้ผ้าใหม่มาถึงผ้าใหม่มาห่อเสร็จแล้วก็เอาสำลีบางๆเนี่ยมาซับซับแล้วก็เสร็จแล้วก็ห่อด้วยผ้าผ้าใหม่อีกครั้งหนึ่งพอห่อเสร็จก็ซับด้วยสำลีอย่างเนี้ยและอัญเชิญพระสรีระของพร ะ, อ, ะอย่างเนี้ยประมาณห้าร้อยคู่ใช้ผ้าห้า้อยคู่เนี่ยนะ อันเชิญพระสรีระลงในรางเหล็กที่เต็มไปด้วยน้ํามันน้ํามันนี่อยู่เต็มรางเหล็กไปหมดแล้วก็ใส่ศรีระลงไปในนั้นแล้วก็เอารางเหล็กอื่นนี่มาครอบเอาไว้แล้วกระทําจิตตกาทานด้วยไม้หอมทุกชนิดจิตตกาทานก็แปลว่าเชิงตะกรเนี่ยนะไม้ฟืนที่มาเป็นที่เผาพระสรีระเนี่ยต้องใช้ดอไม้หอมทุกชนิดอ่ะย่าว่าพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยนะเกจิอาจารย์บางท่านเนี่ยสั่งหาซื้อไม้หอมมาเลยนะ มาเพื่อเพื่ อ, อเพื่ออะไรนะประชุมพระสรีระเนี่ยอาจารย์หลายองค์ทางภาคประเทศไทยเราเนี่ยมีมีบางองค์ที่สั่งซื้อไม้หอมมาเป็นเรื่องบูชาสรีระเลยก็มีอันนี้นี่ไม่ขนาดธรรมดานะแต่ไม่ต้องพูดถึงระดับพระพุทธเจ้าก็ไปหาพวกไม้หอมทุกชนิดเสร็จแล้วมาถวายพระเพลิงพระสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิ นะเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยนะสร้างสถูปของพระเจ้าจักรพรรดิเอาไว้ที่ทางสี่เพ่งเขาปฏิบัติในพระสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิด้วยประการชนิแลเพราะฉะนั้นท่านมลละทั้งหลายหรือท่านวาสิทะทั้งหลายพวกท่านพึงปฏิบัติในพระสรีระของพระตถาคตเหมือนที่เขาปฏิบัติในพระสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิฉะนั้นพึงสร้างพระสถูปของพระตถาคตเอาไว้ที่หนทางใหญ่สี่เพ่ง ก็เรีว่าสร้างเจดีไว้แถวบริเวณสี่แยกเหมืงนกนสี่แยกสีแกส่แพร่งก็คือสี่แยกอ่ะนะส่วนชนเหล่าใดจักยกขึ้นซึ่งพวงมาลัยอะนเอาพวงมาลัยไปบูชาบูชาด้วยของหอมหรือด้วยจุนจุนก็คือแป้งหอมทั้งหลายหรือไปกราบไปอภิวาสหรือยังจิตให้เลื่อมสในพระสุูปนั้นคือเลื่อมสยว่าณ ส, สถานที่แห่งนี้เป็นที่บรรจุพระ บรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าผู้ใดเลื่อมใสแล้วก็ยกพวงมาลัยของหอมหรือจุนอภิวากราบวายังใจให้เลื่อมใสข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเป็นไปเพื่อความสุขแก่ชนเหล่านั้นตลอดกาลนาน เ พ, พราะไรเพราะการบูชาพระพุทธเจ้าก็แสดงว่าเห็นด้วยในการสร้างบารมีของพระองค์เห็นด้วยในการที่พระองค์ได้ตรัสรู้เห็นด้วยในพระพุทธกิจในพระธรรมที่พระองค์สอนเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใดมีใจน้อมไปด้วยใจเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก็จะเลื่อมใสในพระธรรมเมื่อเลื่อมใสในพระธรรมก็จะเลื่อมใสในพระสงค์จักเลื่อมใสในข้อปฏิบัติในที่สุดเขาก็จะปฏิบัติตามอริยมรรตในที่สุดตรัสรู้ตาม พระพุทธเจ้าเนี่ยพันการที่เขาเหล่านั้นได้บูชาด้วยพวงดอกไม้ของหอมอภิวากราบไหว้ด้วยใจที่เลื่อมใสนั่นจะเป็นไปเพื่อมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิทานสมบัติของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นสิ้นกาลนานลําดับนั้นนั่นนะพวกเจ้ามาละเมืองกุสินาราก็รับสั่งกับพวกราชบุรุษว่าดูกรทนายถ้าอย่างนั้นพวกท่านจงเตรียมสํารีไว้ให้พร้อมเถิด ก็คือตอนนั้นพระนลเล่าให้ฟังตอนนี้ก็มีคําสั่งว่าเตรียมสัำลีมาเพื่อที่จะทํากิจด้วยสรีระของพระองค์พวกเจ้ามาละเมืองกุสินาราห่อพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยผ้าใหม่เสร็จแล้วก็ซับด้วยสำลีแล้วก็ห่อด้วยผ้าใหม่โดยอุบายนี้ห่อพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยผ้าห้าร้อยคู่แล้วก็เชิญลงในรางเหล็กอันเต็มไปด้วยน้ํามัน ครอบด้วยรางเหล็กอันอื่นอีกแล้วก็กระทำจิตตการทานด้วยไม้หอมทุกชนิดเนี่ยนะเชิงตะกรของพระพุทธเจ้าใช้ไม้หอมทุกอย่างแล้วก็เชิญพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าขึ้นสู่จิตตกาทานคือเราทั้งหลายเนี่ยได้ฟังคำว่าแม้ เอาไม้หอมมาเป็นจิตกตกาทานเชิงตะกรเพื่ อ, อถวายพระเพลิงแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอย่าไปคิดอ้โก้จังเลยอย่าไปคิดแบบนั้นแต่คิดว่านั่นเครื่องสักการะเครื่องบูชาของเหล่าเทพพยายดาและมนุษย์ทั้งหลายการบูชาอันนั้นของพวกเขาจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขเนี่ยนะเพราะว่าจริงๆแล้วพระองค์ก็ไม่ได้หมายก็ว่าแม้คนจะต้องมาจัด ก, การกับสรีระของอาตมาเช่นนี้เช่นนี้ พระพุทธเจ้าไม่เป็นคนลักษณะนั้นแต่ว่าสิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราเทพยพยายดาและมนุษย์ทั้งหลายพระองค์ก็จะชี้แนะเอาไว้ซึ่งพรจริงๆแล้วพระองค์นั้นพระองค์ไม่ได้มีความอาลัยอาวร์ยึดถือในสรีระของพระองค์เลยเหมือนอย่างว่าคนที่ตัดผมไปเสร็จแล้วยังอาลัยอาวร์ในเส้นผมเหล่านั้นไหมเคยตัดเล็บไหมแล้วห่วงใยอาลัยอาวร์ในเล็บไหมอ่ะนะเคยล้างอ่านะเคยเขาเรียกว่าขัดขัดถู ที่ใครออกไปไหมแล้วคิดอะไรอาวรนไม่เก็บไว้สักปั้นหนึ่งไหมแปลงฟันเสร็จแล้วเนี่ยเก็บเอาไว้ไหมอ่ะแล้วไอ้ร่างกายอื่นๆของร่างกายแหะมันก็นในยะเดียวกันนั่นแหละพราะไม่ได้อาลัยอาวรนไม่ได้ห่วงหาอะไรในสิ่งเหล่านั้นหรอกนะเพราะอะไรก็เพราะมองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนกับโรคเป็นเหมือนฝีซึ่งพระองค์ก็ใช้ว่ากายที่เปื่อยเน่าอยู่แล้วพระองค์ก็ตรัสเช่นนั้นในสริระของพระองค์พระองค์ไม่ได้อาลัยอาวรน แต่พระองค์แนะแนววิธีการปฏิบัติเหล่าใดที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทพยพยาดาและมนุษย์ทั้งหลายสิ่งเหล่านั้นพระองค์ก็จะบอกกล่าวแนะนําแก่สัพพะสัตทั้งหลายให้ประพฤติปฏิบัติเหล่านั้นเพราะสิ่งนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพือ่อเกื้อกูลเพือ่อความสุขแก่เทพพยาดาและมนุษย์ทั้งหลายนีพูดถึงโดยสมัยนั้นเนี่ยนะฝ่ายพูดถึงฝ่ายตรงกัน อีกไกลมากเลยอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็คือพระท่านพระมาหากระสปะนั่นนะพระมาหากระสปะนั้นพร้อมด้วยภิกษุสองหมูใหญ่ประมาณห้าร้อรูปเดินทางจากเมืองปาวามาสุกรุงกุสินารานะเมืองปาวานี่เมืองไหนก็เมืองที่นายจุนทะอยู่เนี่ย น, นะนที่เมืองนายจุนทะถวายอาหารซึ่งพระมาหากระสปะค่อยๆติดตามมาโดยลําดับแต่เป็นการเดินตามห่างๆในระยะทางเรียกว่าหลายวันเหมือนกันเนี่ยนะเดินทางห่างๆตามมาหลายวันด้วยกัน ครั้งนั้นท่านพระมหากระสปะแวะออกจากทางแล้วก็นั่งพักที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่ ง, งก็คือพร้อมด้วยพระพิสุห้ารอยรูปเนี่ยนะสมัยนั้นอาชีวคนหนึ่งถือดอกมณฑารบจากเมืองกุสินาราเดินทางไกลมาสู่เมืองปาวาซึ่งทีนี้ไม่มีร่มใชแดดมันร้อนเอาอะไรเป็นร่มอะ่ะมาวเดือนหกในะช่วงเดือนหกอินเดียนี่อากาศมหาโหดเหมือนกันนะ ช่วงเดือนหกเนี่ยถือว่าอากาศอินเดียเนี่ยค่อนข้างร้อนนะฮะมันใครเนี่ยไหมถ้าใครอยากจะไปไหว้พุทธคยาเนี่ยนะช่วงวันเพ็ญเดือนหกวิสาขาเนี่ยสบายมากเลยก็ไม่ค่อยมีคนร้อนนะฮะสี่สิบขึ้นไปทั้งนั้นเลยองศาเนี่ยนะหายห่วงเลยมแมลงวันก็ชุม่มชุมยุงก็เยอะเยอะเนี่ยนะแต่ว่าพูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าห้ามนะใครมีศรัทธาก็จงไปเถิดจานุโมทนาด้วยแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไปด้วยนะ เนี่ยพูดถึงว่าพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะตอนที่พระองค์ปรินิพานก็ช่วงวันเพ็ญเดือนหกนะวันเพ็ญเดือนหกเสร็จแล้วก็ผ่านจากนั้นไปประมาณเจดวันแล้ว อ, อาชีวกเนี่ยนะก็ถือดอกมณฑารพบเนี่ยเป็นร่มเดินทางจากเมืองปาวาจากเมืองกุสินาราไปสู่เมืองปาวาพระมหากษัตริย์นิจากปาวามาสู่กุสินาราเรีว่าเดินทางสวนกันมาพบกันระหว่างทางเข้า ท่านพระมหากระสปะได้เห็นอาชีวกนั้นมาแตกไกลจึงถามอาชีวกเหล่านั้นว่าดูก่อนผู้มีอายุพวกท่านทราบข่าวพระาศาสดาของเราบ้างหรืออาชีวกก็ตอบว่าเราทราบอยู่พระสมณะโคโดมปรินิพานใน้เจ็ดวันเข้าวันนี้นี้เป็นดอกมณฑารบที่เราถือมาจากที่ปรินิพานนั้นบรรดาภิโสเหล่านั้นพิโสเหล่าใด ย, ยังไม่ปราศจากราคะ ภิกษุเหล่านั้นบางพวกประคองแขนทั้งสองคร่ำควญร้องให้อยู่ลม้ลมลงกลิ้งเกลือกไปมาเหมือนคนมีเท้าขาดแล้วรำพันอยู่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานเร็วนักพระสุคตปรินิพานเร็วนักพระองค์ผู้มีพระจักษุในโลกอันตรทานเร็วนักส่วนภิกษุเหล่าใดปราศจากราคาภิกษุเหล่านั้นมีสติสัมปชัญญะอดกลั้นอยู่ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ ข้อนั้นจะหาได้ในสังขารจากที่ไหนหมายความว่าเมื่อสังขารไม่เที่ยงใครจะไปอ้อนวอนขอร้องขอให้สังขารจงเที่ยงจงยั่งยืนตลอดไปมันทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกน่นะซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับพระมหากษสปะเพิ่มเติมในอัตกถาว่ า, าความจริงเนี่ยนะเราภิกษุที่เป็นบริวารของพระเถระล้วนแต่จริญสุขมีบุญมาก นะคือคือพระที่ติดตามพระมหากระสปะจริงๆก็แต่ละคนก็สั่งสมบุญมาเยอะอ่ะนะท่านเหล่านั้นก็เดินทางมาด้วยเท้าบนแผ่นดินที่เสมือนหินในเวลาร้อนในเวลาเที่ยงก็อย่างที่กล่าวว่าแดดประมาณเมษาพฤษภามิถุนาการ ก, กดาเนี่ยอินเดียนี่ชั้นหนึ่งเลยแหละนถ้าใครไปเดินช่วงนั้นเนี่ยก็ร้อนเปรี้ยงเลยนะ40่สบองศาเนี่ย แต่นี่ไอความที่พระพิสุเหล่านี้บวชมาจากชาติตระกูลสูงเป็นคนที่เคยใช้ชีวิตอย่างสุขสบายมาตลอดว่าในการที่จะเดินทางในตอนกลางวันอย่างนี้มันไม่ใช่ง่ายๆอ่ะนะก็เลยชวนกันพักอยู่ระหว่างทางก่อนพระเถระเห็นพิสุเหล่านั้นว่าพิสุเหล่านี้พากันลำบากและสถานที่ที่จะไปก็ยังอยู่ไกลมันก็พักเสียเล็กน้อยระงับความลำบาก <c oughs> ตอนเย็นถึงเมืองกุสินาราเสร็จแล้วจักเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ก็เลยแวะจากข้างทางปูสังขาติที่โคนไม้แห่งหนึ่งเอาน้ำจากคันโทนั้นลูบมือลูบเท้าให้เย็นแล้วก็นั่งลงภิกษุที่เป็นบริวารของพระมหากษัะนั้นก็นั่งนะักโคนไม้ใช้โยนิโสมนสิการกรรมฐานบ้างนั่งสรรเสริญคุณพระตนะตรายบ้างนะนี มันบางองค์ก็เจริญสมถะเจริญวิปัสนาบางองค์ก็นั่งสรนเสริญคุณพระัตนตรยัยเจริญผู้ธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเพราะฉะนั้นท่านพักในระหว่างกลางวันเพราะเพื่อต้องการบรรเทาความเมื่อยล้าทีนี้ฝ่ายอาชีวกละ่ะอาชีวกก็ถือดอกมณฑารกเนี่ยนะที่ดอกใหญ่ใช้เป็นแทนร่ม่างนั่นเถอะอัทธาสาโคได้แก่พระมหากษัตริย์เห็นอาชีวกนั้นเดินทางมาแต่ไกล ก็แลพระมหากระสปะพอเห็นก็คิดว่านั่นดอกมนทารพปรากฏอยู่ในมือของอาชีวกดอกมนทารพนั้นไม่ปรากฏในถิ่นมนุษย์เสมอๆไม่ใช่ว่าดอกไม้ชนิดนี้มีอยู่ในเมืองมนุษย์เป็นปกติแต่จะมีต่อเมื่อผู้มีฤทธิ์บางท่านแสดงฤทธิ์เนรมิตขึ้นมาหรือผู้มีฤทธิ์ไปเอามาจากสวรรค์มาอันนี้อย่างที่หนึ่งหรือพระสัพพัญยูโพธิสัตว์เสด็จลงสู่พระคันของพระพุทธมารดาเป็นต้น หรือแม้กระ hey? ทั่งวันที่ออกบวชเนี่ยนะแต่วันนี้ไม่มีผู้มีฤทธิ์ไร่ไรไม่มีใครแสดงฤทธิ์เลยระหว่างนี้พระศาสดาก็ไม่ได้เสด็จลงสู่คันของพระพุทธมารดาวันนี้ก็ไม่ใช่วันที่พระองค์เสด็จออกจากคันไม่ใช่วันที่พระองค์ตรัสรู้ไม่ใช่วันที่พระองค์ประกาศพระธรรมจักรไม่ใช่วันที่แสดงยมกะปาทิหารไม่ใช่วันที่เสด็จลงจากเทวโลกไม่ใช่วันที่ปลงอายุสังขารแต่แสดงว่าพระศาสดาของเราเนี่ยพระชรา ปรงจักปริณิพานเสียแล้วแน่แท้เห็นดอกไม้ท่านรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าปริณิพานแล้วลำดับนั้นพระเถระก็เกิดความคิดขึ้นว่าถ้าเราจะถามเราก็จะนั่งถามก็จะเป็นการทําความไม่เคารพภาษาสดาเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นห่มบังสกุลจีวรสีเหมือนเมฆที่พระทศพลประทานคือท่านใช้ผ้าผืนเดียวมาตลอดตั้งแต่วันบวชจน จนพระพุทธเจ้าปรินิพพานเนี่ยนะคืว่าทั้งปะผุใช้เนะใช้มาตลอดตั้งแต่นนะั้น่ะเป็นหลายสิปีมาแล้วเป็นผ้าที่พระพุทธเจ้าบวชให้เองให้เองมาเนี่ยประหนึ่งพญาช้างฉัดทันหลีกออกจากที่ยืนคลุมหนังแก้วมณีฉะนั้นท่านก็ท่านผากระสปะยกอัญชลีรุ่งเรืองอด้วยทษะว่าเล็บทั้งสิบนิ้วเนี่ยประชุมไว้เหนือเสียงกล่าวหันพระพักไปต่ออาชีวกด้วยความเคารพในภาษาสดา กล่าวถามว่าท่านผู้มีอายุท่านทราบข่าวพระศาสดา ข, ของเราบ้างไหมรู้ข่าวพระพุทธเจ้าไหมเขาก็มีคำถามถามแทรกในระหว่างพระมหากระสปะไม่รู้หรือว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานอ่านนะก็มีคณาจารย์ดังๆเขาวิจารณ์ไว้หลายคนเขาบอกว่าไม่รู้คือคืออะไรเพราะพระมหากระสปะไม่เคยไม่เคยเอาเรื่องนี้มานึกเพราะท่านจึงไม่รู้ เอกท่านหนึ่งก็บอกว่าท่านมากด้วยเข้าสมาบัติท่านเข้าพระสมาบัติทั้งกลางวันทั้งกลางคืนแม้กระทั่งเวลาบินทบาทเนี่ยนะท่านก็ยังเข้าสมาบัติก่อนจะรับอาหารหลังจากรับอาหารเพราะท่านมัวแต่เข้าสมาบัติท่านก็เลยไม่รู้ว่าพราะอมปรินีพักเพราะมัวแต่ใส่ใจในเรื่องสมาบัติ